อยากจะพูดจากเสียงหนึ่งมีสิทธิเสียงหนึ่งไม่สละชิดในการเลือกตังสอสอสอหอหอตอกกันต่างั่บ้านอชัยดเสียงหนึ่งตามระเปียบบอกความทดความจริงทในชีวิตอยู่ เพื่อนกับโลกเรื่วมกันหลายชีวิตต่อให้มีขอเป็นส่วนร่วมกับความถูกต้องชอบธรรมอ่านมาจากที่พระพุทธเจ้าอุบาทวขึ้นมานะโลกพร้อมทั้งพระธรรมของศสอันเดินไปเพื่อทางออกจากทุก เดินไปเพื่อปริบิธานก็มีผู้เชื่อฟังหมู่ชนเชื่อฟังคำสอนพากานปฏิบัติชอบถามทำในไหนที่พระพิ้าทรงสังสนอนก็รู้ยิ่งเห็นจริงแลนะท่ามคือกวาลูกคนรเห็นถามต้องกวนปฏิบัติเกิดกุฏิบริจาิขึ้นมาในโลกมีพิสุพิจนีวาจบวจกา ว า, วาศจภวาธิกาแต่และคนที่สมัยข้างพระเจ้าเพระาะความสำคัญสนทธนาฏาวินิกกศชตรีตั้งวัดแรกสร้างวัดขึ้นมาพระเจ้าพิวิษานสร้างวัดแรกขึ้นมาในโลกนางวิชาขามหาวาศกาขอมีส่วนร่วม เห็นาพามัมีข้านุ่งข้าหม่มขอทอดกระถิ่นขอยาติอทอดกระถิ่นในตามการตามฤดูพ่ออาบน้ำผลพ่ากระถิ่นเป็นความชิดของผู้หญิงคนหนึ่งความิดของผู้ชา นหนึ่งที่เราได้อาใช้ยอยู่ทุกวันนี้มีวัดวาอารามอย่างานวินทรร บ, บาทมีเครื่องนุ่งหง่มในยารักษาโลกจนมาถึงทุกวันนี้นเป็นความคิดของคนผู้หญิงคู่ชายว่าศกตูวผู้ชายวาสิกาหรือเป่าผู้หญิงเราก็มี ชีวิตเลือดเนื้อร่างกายมันตะร้คนสมัยหก0้อยปีมาแล้วสอง0ันหกร้อยปีมาแล้วหก0้อยสองันหรอยตีกับสี่เดือนที่พระเจ้าบัตรขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะทำหลังหลายมันเป็นแ่า น, นี้มาแล้วความเทศดความจริงเกิดอยู่ที่คน เราจะทำอย่างไรเมื่อเรามีศรัทธาเราได้ความทำกับศรัทธาเชื่อแน่แน่ว่าะความเชื่อทำความดีได้ทุกๆเรื่องคือมันเกิดกับฝ่ายกับใจเรานี่เราเชื่ออย่างนี้ทำดีและความเชื่อก็ได้ความดีขึ้นมาแล้เกิดศัทธาความเชื่ออย่างนี่ เมื่อมีความเชื่ออย่านี่ก็ทำกรรมดีไม่ทั่วถอยเพื่อ ม, มือทำกรรมดีก็มีการวินใจมีขาวินเชนญมีคาพูดคําจาชื่อภาษากันได้บอกกันได้ช่วยกันได้อันที่เกิดความดีมือให้นิ้วจิบนิ้วนี้สร้างโลกได้ก็ว่าได้ท่านจะว่าแล้ว จะให้เหนกิ้งใหญ่สักหน่อยชีวิตของเราคนหนึ่งช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยอะไรที่มันเป็นล่อลอยแห่งความดีลอยมื่อลอยสติปัญญาลอยแรงงาน้อยอยากเหงื่อของเราให้มันเกิดขึ้นมาได้บ้างอย่าทำอะไรแบบสับว์แค่ นแต่การออกการสอนทางการปฏิบัติธรรมตัช่นกรักรถือกันไรมันยี่งยงใหญ่สามารถโอบกุ้มอะไรยี่งเช่นใจความดีมีศรัทธามีสถีย ม, ตต ม, คมีความสว่าดความสว่างความสงบ แ, แล้เวัรเป็นครัง ความดีมีอะไรหลายอหลาสสัววตัสติศึษากอริัตยมรรตโลอโทสะโมหะอากาใจอาหาการก อารมณ์อา ม, มัยใหม่ให้ดีอนุรักษ์ขค้นตูนหลาย อ, อ๋อโอ้ยอบหอ บ, อบรวยเลยรวยความดีบัรจุลงปลอยในการในใจลรวนี่ไม่เต็มเหมือนกับอะไรเจ็บข้อมูลดีดีว่าเ ย, ยอะแยะ เลือกินเหลือใช้แบ่งคนอื่นแบ่งให้สัตรูละจน์แบ่งให้ธรรมชาติแบ่งให้อากาศแบ่งให้น้าแบ่งให้ถนนมอเตอาเยอะแยะเลยรวยรวยจนเลยหยาบจนคิดอะไรจืด่นเลยสอนให้ตาคนหนาฮะส่ที่คุณอภิมัญญาไม่มีขอบเขตแตโลกนี่ น่อยก็เกินวิตเราไไม่เพยงพอแต่การทำความดีเนี่ยเราที่มันดียิ่งเรามาอยู่ที่นี่มีเพื่อนมีนิดมีพระสงฆ์มีแม่ชีมีวาสิกามีวาศพมีชาวบ้านเราสื่อสารกันให้มันดีๆร่วมกันดีๆก็จอยู่ด้วยกับอยู่ด้วยกันได แต่ไปอยู่ที่อื่นาความดีแยกกันไปทำคนดีเป็นครอบเปนครัวสร้างสังขารเกิดขนในครอบครัวสร้างความสัมพันธ์สร้างความเมตตามเกิดขึ้นในครอบครัวแมีลูกไม่หลานก็จะได้ลูกหลานในคนดีเป็นแบบพินโทษพินแม่พินที่ดีาเด็กก็จะน้อยยิ่งเกิดขึ้นแต่ ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ชาโลกประโยชน์ชาวศาสนาพระเจ้าสรรเสริญอาชนะตัวเองให้มากทีุ่ดอย่าเตาชนะคนอื่นประชุดเจ้าสรรเสริญผู้ที่ชนะตัวเองพระเจ้าสรรเสริญผู้ที่ำประโยชน์ตนประโยชน์ชาวโลกประโยชน์ชาวศาสนาประโยชน์ธรรมะ นี่ถ้าเราเชื่อพระเจ้าก็ต้องทำอย่างนี้เคารพพระเจ้าเคารพคนทุกคนในโลกจดจำนิยั่งยายน้อยเหลือเกินที่เราอยู่นี่สองสามบ้านนี่ยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกเราก็ลงเหล่นักทุนยามาสารมาอยู่นี่ทุกเช้าทุกยามจอดรถหมุนไปจอดนั่งไหลลูกเพ่มาอยู่ที่นี่ รวมกันให้ได้พลังงานผมไปดูผู้หญิงคนหนึ่งที่ประเทศไต้หวันเกัาจันตุ้มจันนอดเนี่ยเยงใหญ่มนะากอาลุอรุ่นเดียวขาเ ด, ยาเดียวกับหลวงพ่อเลยมนที่สื่อที่ผู้หญิงแม่พิชุณนีคนหนึ่งอานพ่ะที่สัตว์ละทำประโยชน์ทั้งแต่โลกทั่วโลก มีจุฬาจิกทั่วโลกหลายประเทศสร้างโรงพฟาบาลยิ่งใหญ่มากสร้างสถานีสร้างวิทยุชทัศสีช่องเอโทรทัศน์สี่ยิ่งใหญ่มากผู้หญิงคนหนึ่ง ลอยเรื่องบินทบ เ, เทปามาฉนเตีเกินตอนนี้มันน้อยอชุดใหญ่ๆมันมาเช่เราคนเดียวหรอถ้าชุดารวมถกจ่อ ง, องมีแอลร้วมเยอะแยะช่วยกันจากมือหนึ่งนสองมือจากตาหนึ่งเป็นร้อยตาพันตาต่อยแขนพันขาร้อยฉดิร้ร้อยเพื่อนปัญญาที่มาร่วมกัน เดินพลังขับเคลื่อนให้เกิดความดีขึ้นมาได้คนในโลกเราก็ต้องการความดีเด้่ออะไรความถูกต้องเท่านั้นเราก็ยืนหยัดให้ได้โดยเฉพาะการปฏิบัติวิชากรรมฐานนี่มีหลักที่จะต้องสร้างสารชีวิตขึ้นมาให้ถูกทุกสัดส่วนของชีวิตของเราจะมีอะไรมากมาย ไม่จะมีจิเดชันทวันะร้อยแปดชิ้นชากไปเลยมันไม่มากขนาดนั้นถ้าเราทามถูกไนดะ้เพราะนั้นนี่เรามีหลักอเลชฝสายไหนสายนอกที่จะใช้ที่จะเกิดประโยชน์เรามีพลังงานยิ่งมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวยิ่งใช้พลังงานได้เยอะ เอาพลังงานมาสร้างความดีอย่าเอาพลังงานไปสร้างความชั่วเที่ยวเตะเล่ ด, ดอนจนเล่เาเบายาให้เป็นสภาต่อโลกชิ้นเปลืองชิ้นพลังงานของโลกโกกราเป็นกการทหารเราประหยัดจะทําให้เศรษฐกิจมันดีใช้หลือเนน้อยแตาทํายิ่งใหญ่สร้างวัดกู้หลงขึ้นมา มันยิ่งใหญ่ทางลู่ตาขายหล็กอ้อมวัด 4, สี่พนะันไร่ใช่เหรัไม่ะมาชอบไปเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกวัดต่างๆอยู่ในยอดเขาสูงๆเขาก็เป็นคนเหมือนกันไปปูตาน งัดหน้าขาสูงๆทำไมเขาใช่ได้ในตะปูคอนกรีตติด 2,000 2,000 เม็ดจากกระดับน้ำทะเลสูงลดเหลือขึ้นไปสัทธาจะขาขึ้นไปสรัทธาของคนขาสองขาแสนสองแสนเนีนำขึ้นไป ั็นวัตถุจึงของยิ่งใหญ่าอาศัยไต้หวันวัดอยู่หลังเขาสูงสุดโอ้โอ้ก็จิงแล้วจะจงหังเขาเขาทดลองเขาเขาทดลองเราเขาพิชิตเราไม่าด้อาต้อนรับเราอยู่ข้างล่างใวเารับลว้เขาไม่จับ ตอนรอบจั่ข้างล่างในฉลามหลันตัวเล็กในน้ำชาในน้ำตื่นนี้จะนั่งแล้วก็ไปลงรถที่ข้างล่างแล้วก็กระพาเดินขึ้นไาผนก็ตกป๋อก็กกหนักเขาก็ไม่ชืวยให้นะเขากำลังล้มให้อยู่เฉยการล้มให้ก็เดินเคือนขานขึ้นไป เอออย่างไรก็ถลอยไปใครกอร่อยเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปแล้วไปถึงที่นู่นที่ชลานู่นหลังเขาโด น, นมีรถที่เป็นหลายหลายคั น, นยอยู่ที่นู่นแล้วก็แปลกอะไรนั่นอะไรมาจากประเทศไหนโลกไหนพูเขามาขึ้มาได้ไงพอเดินขึ้นมาก็าลาบากตึงขึ้นขึ้นมา พื่อนก็นั่งอยู่เต็นฉลาเน่ยก็พแบบแบบาเราฝากเข้าไปฝากเข้าไปคิดนไปนั่งสมาธิมาให้นั่งร่างหน้าร่างตาเราเงื้งอห ล, <laughs> ลายยอยออกผ้าออกบาเช็ดเงือต้งเทศต้งเช็ดเงือเงือหลายยอยโอ้สนุกตี๋ี่มันเรากันะแล้วก็เรากู ต้องเงาะไหลกันช็ดเงาไหลผ้าก็เปียกเงาะที่แล้วก็ตั้งกล้องทรทัศไอีโอไว้ตั้งสี่มงห้มตั้งโจทย์พื้นฐานไว้ตั้งพอเท่ยจบปุ๊โอ้ปดีเือนกันแล้วก็ชูอ๋อ เออก็นคิดอยู่เลยเออเขาทดลองเราเขาทด t องเ m าเราจะเก่งไหมแตยเราก็เก่งจริงจริงนะคิดว่ามออเราก็ทำได้พอเทนจบั้งกนทวันวงแล้วถ้าอ่ารีอต้องรีโอเออ่ คำถามที่หนึ่งถามอตอนนี้จะถามหรอหลวงพ่อพูดไปหมดแล้วไม่ไม่มีคำถามคำถามที่สอว่าถามหลวงพ่อพูดหมดแล้วไม่มีคาถามที่สามไม่มีคาถามแสดงว่าเราเจ็งแล้วพ่อพูดหมแล้วไม่มีคาถามกัน แล้กลากันอเกหลากันไ ป, ก, นไป ก, นก็พาไปส่งที่พักตัก้งตีสองีหนึ่งตีสองเหน่ยก็เหนยหก็ไหลก็พาที่ไปส่งที่พักนี้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำร้อนอาบก็เลยบอกพรว่าเขาเขาใช้เราขนาดนั้น เราก็ต้องใช้เขาบ้างแล้วคุณจะซักผ้าให้เราได้ไหมนะถ้าเราเพื่อนเปียกเหมือนเหงื่อเั้ือนเขาอะไรก็ได้เอาให้เราพวกคุณทําวัดเวลาเ ท, ที่ยวปีสี่เอามาให้เราก่อนปีสี่ได้ไห้เราจะได้นุ่งหมไปทําวัดร่วมกันเวลาประชามวัดมารับเราด้วยนะเขาบอกเลย สองไม่เป็นไรไม่ได้ยิง่งใหมนกันนแล้วก็แสดงว่าโอ้ยนก็ใหญ่เมนกันทุวัดเขาอยู่บนหลังเขาสูงสูโอ้ยขอสว่ t งรุ่งเช้ามาเดินดูไปว่าพอมีทางลงทางขึ้นโอ้ยมันไม่ขึ้นรถมาหน้าเจ้ารถบรรทกกันมันมันไม่ารถบรรทกกันดูดีกว่า เรก็ทรมาเรานะเรพิส um ูจ TH. น like, ์เราดูว่าจะเงไหมพระคำวิหามาจากพันไทเเราก็เป็นคนเจ็ดกันาอะไรผู้หลงเชื่อนี่ก็ยากเลยนี่ก็มันสิใหญ่โแล้วอะไรผู้หาอยู่เฉยๆก็คิดถึงบานง ชิดแงที่นอนสบาสบายิดแขงตู้ยันที่นี้เปิดอล้วกินห น, าาน้ามาจนนี้จะมีอะไรกินก็โดนจอกจอดชู้บ้างที่จะไปสัวเลยรชีตอราไม่ไม่ไเลยไปเช็ดน้ำเช็งแล้ว่ายหวนตอนไม่ลื้อ่รงไม่รู้ดูฝนตูวตอนไม่จะอาจียนไม่ดูแรงเลยน้ำกร ล, ล, ลับใบทีเียเฉลิมบ้างไงมันคนรักมาก สร้างมาเป็นรำเกือนรำไไม่มีหน้าเลี่ยงสลัดออกที่งไปรักเหมือนพ่อไม่รักโลกต้นไม่รักใหม่อันนี้เสียชลา อ, อดทนอดทนระบางเอาเหลือ ก, ก็จะแกนได้แค่เื้อทองเหลองมีแก่นืออความไม่เป็นอะไลมียักคนนี้ถามัวแกนเมือนรูเจ้าสอนพะอนนอนุอ น, น แล้วจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่หยุดนะเราจกชี้โทดแล้วชี้โทเด็กไม่หยุดเราจะทํากับพวกเธออย่างไม่ทะลุสมนมเหมือนช่างหม้อทากับหม้อย่างเสียงจะเดืออยู่นะอา น, นุ์ผู้ใดมีเแนสารเป็นว่นาผลนี้สารจริงจะถึงดุย่ายนะถ้าไม่มีมัดผลเป็นแฉอยู่ไม่ได้นะอนุนนะ น, นั่นนะพี่เจ้าชนเราต้องขนาบตัวเอง กินจะนั่งจะนอนจะรู้จะเตินเช่นนี่เวลาใดเช่นว่าหลงอชาติหมาชาติบ้านเช่นนี่ก็หลงเช่นนี่ก็ทุกข์ไปเลยเช่อนี่ก็ไม่พอใจเช่นนี่ก็พอใจแต่แค่หนึ่งวันไหวไี้ถนัดเตือนอย่อี้โทษลงไปชืี้โทษลงไปอย่าปอชิ่งมีสติเป็นที่ภาคสาสุราการที่ภาคสาตัวเองให้แต่ความเปนทมมําอยู่เสมอ ต่อจนสอนจนต่จนจำเป็นของกิเลต่างหากขอให้หลงก็หลงขอให้ทุกข์ก็ทุกข์ขอให้โกรธก็โกรธขอให้พอใจก็พอใจเขาไม่ให้พอใจก็ไม่พอใจิมรยเพิ่ผู้ผู้แฝงแฝดของให้มันอิจฉาขึ้นไปอนมันไม่เต็นอะไรแลกนะโรคนี้มีเท่าไหร่ ไม่หวังไหวจะไปที่งหนที่ต้องเจอต้องเจอต้องตายต่อย่งตัวเว่าเราจะฝึกจนสอนจนมีค้ามากชั่มองหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึง่งมันจัดฉันให้เราได้ใช้ชีวิตางเหมาะสม เราเปรียบไว้หน่อยที่พระเจ้าทรงอัญญาต่อจัดสรรเสี้ยนให้เราได้ใช้อย่างเหมาะสมไอ้คิดวัตถีวัตถีใ่เก่าได้ว่าจะสลายออกเวลาไม่ ล, มลาพอดีพอดีเจ้าก็มีเวลาใช้ประโยชน์ใช้ชีวิตของพระ อ, องค์เพื่อผู้อื่น เด็กๆ ก, ก็ตอบปัญหาเทวดาตอนอยคำข้ามเอาเยอะๆไปแลยตอนจบล่วงจังที่สองทือสามก็อย่านมองปัญหาใครจะสอนใครหนอใครจะพอที่จะอกจะสอนได้นองวันนี้หนอ กาไปสอนก็ไปโปรก็นะส่เบทบาดออกหน้านทัทาตียนเบญทบาทที่ยงอยากไปสอนเขาไปโปรกเขาตอนนี่ก็ต้องเสี่ยงถูก ด, ด่าก็นีปปด่าไปโอรกคนไปเสี่ยงไปโกรกเศีไม่เฉลียวพิินงเบบา อุ้มมาอยู่หน้าบ้านเศรษฐีคิดทีสังมิจฉาคิดทีวดหน้าบ้านอยู่ตะโกนบอกว่าที่เขาไมให้ไปไปข้างหน้าที่นี่เขาไม่ให้หรอกพระเจ้าเขไม่ปลอยเยอะอุ้มมาจีเอ้ยเศรษฐีกนน็ยังเห็นไดก็ยังตะโกนด้ หมดก็ทำไม่ได้ตาแต่ตวันไหนจะมจมอมเดมโดินมาขอข้าจินมาทานาทาไมเดียดูตอนพร้อมแล้วก็ทานาอยู่ทำนาอะไรโกหกนใจอุ้มบาดมาขอจีนอยู่เนี่ยแล้วก็มีนาสาบนะไหนนาอยู่ไหนถ้าไม่ช่ไดไดม ไรยิ่งใหญ่เขาปูกเขาฟันยิ่อให่ไม่หมีอะไรนี่บาทว้เดียวเนี่ยศรัทธาครอดาของเราเรามีศรัทธาเชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรามีน้ำฝนในความภาคยันรับความชั่วทำความดีเรามีสมาธิเรามีค้ามมีถ่ายเปลี่ยนคาํามราเป็นความดี จิว่าสัมภารเรามีอะไรศรัทธาปียะชัดเรามีสตีเป็นเข้าปลูกบานลงไปมาเนื่อนะแล้วได้ผลเอามากินแล้วไม่เจอ็อไม่เ จ, ไเจ็ไม่ตาย ตามได้ข้าวมาชิ้นก็ยังเจือยังเฉดยังตาอยู่แต่เราได้มา ไ, ได้ผลหมายได้ชีวิตเราไม่มีเจือไม่เฉดไม่ตาตามตามกับหวังไม่กลัวของอะไรก็จะกะพูดจากไปตามกับรับบาเส้นไปบนบ้านอยากให้เออพูดให้ อบ้านให้ลูกให้ลกให้แม่ฟังรับขึ้นแต่ะเจ้าจะเดินทำอยู่บนบ้านโถ่ครอบกอดพิจฉาทิฏฐิให้เกิดสัมมาที่ฐิโดยที่ทวไปก็เป็นบริจัคแสดงตรนเป็นพตทาธ ม, มารมก า, าบริจัคตั้งเอาข้าวใช้บาทมาส่งที่วัดงานเจ้าถูตากันนั่เราเนียเพียงแต่เราดีหน่อยก็โกด ชาติดาของเราเป็นแบบจ๋านะโตต้องคี้มานอยู่เมืองสาวัตถีน่ะว่าช่สาวัตถีสาวัตถีหลัตาก็เห็นบ้านอกทิมานกับเช็ดตะวันไม่ไกลกัน บ้านอุปเทียกับบ้านอนานาวินไกาวชดผไม่กายกันกับเชิดกับวันเ อ, เอาเอาจ้าอะไรที่เปิดต้องพิมานร่มดาอัคือมามาอยู่รับบ้านเราก็ก็เล่าเลกลัว ก, กันเมืองเราะว่าผีอ ประกาศจับองค์ธมบาลพอประกาศจับองค์ธมบาลฆ่าก็พระเจ้าอะไรยมาเลือกจับจำบ่ได้กาบชวนพระเจ้าปรึกาพระเจ้าดูแต่พระเจ้ากระซิบว่าทหารทหารจะไปข้าองค์ธิบาลแล้วชำบมได้พ่อแม่ต้องไปบอกพี่ชาย อาจจะองค์ชมาเดาจำพ่อจำแม่ไปได้อาจจะฆ่าพ่อแม่ตายเมื่อฆ่าพ่อแม่ตายก็เป็นอนตะนีกรรมเป็นบาปหนักจะทำไงดีต้องกว่อยแม่พ่อรักลู ก, ลกจะไปบอกองค์ชบังให้หนีไปซะเราจะมาจับจะไปบอกพวกให้หนีจากแถวนี้เราจาชิดไปเอง แต่กชีอาจจะถูกนะเกนขวงถกต้องได้แม่ต้องอดไม่ได้เขาจะฆ่าลูกต้องไปบอกบอดไม่ได้หรอกว่าเป็นพ่อเป็นแน่ละี่เจ้าลงชงไปก่อนใช่ชองนั้นเราต้องไปก่อนจชะเจ้าก็ชดดลไปก่อนใ่อนเจ้าหมดเลยวารหมเลยเห็นไหบตาบไปเลเจ้าก็วิ่งเหมือนกันกนะยุดยุด เราหยุดแล้วเราหยุดแล้วยังไม่หยุดอยู่โยวิ่งอยู่เราหยุดแล้ ว, ย ห, ย ห, ยลวหยุดจะทำบาป ท, ทำกรรมใจยังจับดาบไล่ฟันเราอยู่ตอนี้อดกมาได้จติขึ้นมาอลายเป็นพระหันได้กับเดินขึ้นมาในเชิดตะวันเออสมควรใช้เวลาจะไม่จบเราจะเป็นเทวดา อืมเออมีรถกอบคันหนึ่งให้จนดร่ว่กนเอามาเพินทบปปจะดีไ้ยขออนุญาตอาจารย์ขับรถก๊อบเปนทบาป <c oughs> <c oughs> ะนึงไก่ลเกินวันสามสี่โมงก็จะจับสาวๆก